จะกินอาหารเนี่ยเราก็มักจะกินของที่เราชอบเช่นเดียวกับเวลาเราทำอะไรเนี่ยเราก็มักจะทำนะสิ่งที่เราชอบนะแต่ก็ต้องระวังนะไอ้สิ่งที่เราชอบไม่ว่าจะเป็นอาหารที่เรากินหรือการกระทำนะที่เราทำเป็นประจำก็ดีที่ทำมากๆทำบ่อยๆอาจจะเกิดโทษได้นะอย่างเช่นความเจ็บป่วยของผู้คนเวลานี้เนี่ยโรคหลายโรคเนี่ยก็เกิดจากการที่กินของที่ชอบนะ เก่นชอบกินหวานนะชอบกินเค็มนะชอบกินของทอดนะชอบกินเนื้อแล้วเกิดอะไรตามมานะก็เป็นเบาหวานไปนโรคหวัวใจนะไตาวายบางทีก็เป็นพยาธใบไม้ในตับเพราะชอบกินปลาดิบความเจ็บป่วยของผู้คนเวลานี้เนี่ยนะจำนวนมากเลยไม่ใช่เพราะ กินของที่ไม่ชอบนะส่วนใหญ่เพราะกินของที่ชอบเพราะพอเราชอบแล้วเนี่ยเราก็กินเยอะกินมากกินบ่อยๆแม้มันจะเป็นของที่มีประโยชน์แต่พอกินเยอะกินมากกินบ่อยๆนะมันก็เกิดโทษในสมัยนี้ของที่เราชอบเนี่ยนะมันหาง่ายนะบางคนชอบกินพิซซ่าบางคนชอบกินแฮมเบอร์เกอร์บางคนชอบกินขาไก่น พวกนี้เดี๋ยวนี้หาง่ายมากเลยราคาถูกเข้าถึงง่ายไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนเนี่ยของชอบอาจจะมีนะแต่ว่ามันราคาแพงนะแล้วก็หาไม่ได้ง่ายๆมันเป็นลดูการแต่เดี๋ยวนี้กินได้ทั้งวันกินได้ตลอดปีราคาก็ถูกแล้วก็เลยนะป่วยสารพัดโรคอันนี้รวมถึงการ นั่งนั่งนอนๆอนด้คนส่วนใหญ่ก็ชอบนะชอบการ น, นั่งนั่งนอนๆอนไม่ชอบเดินเดี๋ยวนี้จะไปไหนนะก็นั่งรถขึ้นลิฟต์นะไม่ต้องเดินขึ้นบันไดนะไม่ต้องเดินไปปากซอยจะไปร้านอาหารเดี๋ยวนี้บางทีก็ขี้เกียจแล้วไปสั่งด e ลิเ e อรี่มานะจะได้นั่งนะไม่ต้องขยับแล้วเกิดอะไรขึ้นนะก็โรคหวัวใจนะโรคเบาหวานเหมือนกัน อันนี้ก็พระชอบทำนะหรือชอบอยู่ในเอเรียบทนะที่มันสบายจะให้วิ่งจะออกกำลังกายไม่เอาไม่ชอบเมื่อไม่ชอบก็ไม่ทําเมื่อไม่ทําแล้วเป็นไงก็ป่วยอันนี้ยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องของที่ไม่ดีนะเช่นเหล้าเช่นบุหรี่นะซึ่งมันมีโทษอยู่แล้วเนี่ยไม่ว่าจะเสพมากเสพน้อยก็เป็นโทษ แต่ของหลายอย่างเช่นอาหารเนี่ยนะถ้าเสพพอดีมันก็ไม่เป็นโทษแต่พอกินมากๆเนี่ยกินบ่อยๆกินทุกวันเพราะชอบเนี่ยนะก็เลยเกิดโทษการนั่งนั่งนอนๆอนเนี่ยเออถ้าทําเป็นครั้งคราวนะมันก็ไม่เป็นอะไรผ่อนคลายแต่พอทํำบ่อยๆนะทำทุกวันวันหนึ่งเอาแต่นั่งแช่นะอยู่บนโต๊ะดูโทรทัศน์นะหรือว่าอ่าจ้องโทรศัพท์เนี่ยนะ แล้วเดี๋ยวนี้ทำงานก็ไม่ต้องขยืนขยับแล้วก็เลยนะสุขภาพย่ำแย่กันมากขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวนี้ลงสำนัก ง, งานหลายแห่งเขาจะทำโต๊ะให้มันสูงเพื่อให้คนเนี่ยเวลาทำงานเนี่ยยืนทำนะฮะยืนทำามันดีต่อสุขภาพนะเพราะว่าท่า น, นั่งไปนานๆเนี่ยความเจ็บป่วยเกิดขึ้นได้ง่ายอนอกจากการนั่งนั่งหรือนอนนอนนะ หลายคนก็ชอบนะนะชอบอะไรนะนะชอบอยู่กับโทรศัพท์นะก้มหน้าจิ้มกับโทรศัพท์แล้วก็เลื่อนจอดูเฟ e บุ๊กดูข่าวข้อมูลข่าวสารดูคลิปนะที่มันมาทางโทรศัพท์นะหรือโทรทัศน์แต่ก่อนจะไปดูหนังนะก็ต้องเดินนะไปโรงหนัง แต่เดี๋ยวนี้ดูหนังนี่มันสบายแล้วดูทางโทรทัศน์แต่โทรทัศน์ก็ยังไม่สบายเท่าไหร่นะเพราะโทรทัศน์เนี่ยมันอยู่ที่บ้านไม่ใช่ว่าจะดูได้ตลอดเวลาเดีย๋ยวนี้เราดูหนังทางโทรศัพท์แล้วโทรศัพท์นี่มเราพกติดตัวตลอดเวลาเพรา ะ, ะนั้นก็ดูดูวันหนึ่งนี่ก็หลายชั่วโมงไม่ใช่แค่หนังนะดูคลิปวิวดีโอดูอะไรต่ออะไรชอบเนี่พอชอบแล้วก็เลยทำบ่อยๆพอทำบ่อยๆก็ติดแล้วเกิดอะไรขึ้นนะ ไม่เป็นงานทำงานไม่ได้พักผ่อนนอนหลับเพียงพอไม่มีเวลาหรือไม่มีความสนใจที่จะคุยกับลูกนะคุยกับคนรักเป็นปัญหาใหญ่นะของคนสมัยนีย้มาปรึกษาตมาว่าทำยัง ไ, ไงดีนะสามีเนี่ยเอาแต่ติดโทรศัพท์นะหมายถึงติดโซเชียลมีเดียนะดูแต่โทรศัพท์จ้องแต่โทรศัพท์นี่นแหละลูกนะก็เอาแต่นะเล่นเกม ออนไลน์ไม่เป็นอันเรีนหนังสือนอนก็ดึกบางทีผู้หญิงก็เป็นนะอันนี้ก็น่าเป็นห่วงทั้งนั่งที่ไอ้สิ่งเรานี้มันเพิ่งเข้ามาในชีวของเราเมื่อห้าหกปีมานี้เองนะเฟซบ o ๊กเนี่ยก็เริ่มเป็นที่แพร่หลายก็ประมาณบีห้าสามถึงปัจจุบันก็เจดปีแต่ทีนี้ติดกันงอนงำนะกันทั้งประเทศกันทั้งโลกแล้วครอบครัวก็กุมใจกันนะเพราะว่าคน สมาชิกในครอบครัวติดกันจนกระทั่งไม่สนใจพูดคุยกันไม่เป็นอันทำงานความรับผิดชอบไม่มีใช้เวลาอยู่กับโทรทัศน์หรือว่าโซเชียลมีเดียหรื อ, อโลกไซเบอร์สเปซนี่ก็วันเนจะ็ดชั่วโมงแล้วจะเวลาที่ไหนไปทำงานเอาเวลาที่ไหนไปเรียนหนังสือเอาเวลาที่ไหนไปพักผ่อนเอาเวลาที่ไหนมาพูดคุยกันนะพอไม่มีก็หงุดหงิดนะ อันนี้ก็เป็นโทษ น, นะของสิ่งที่เราชอบและสมัยนี้สิ่งที่เราชอบเนี่ยหรือสิ่งที่เขามาชักชวนให้เราชอบมันมีมากขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่แค่อาหารนะอาจจะเป็นสถานที่อาจจะเป็นแอปอาจจะเป็นโปรแกรมอาจจะเป็นประสบการณ์ต่างๆเดี๋ยวนี้แอปแต่และแอปนี่เขาก็พยายามดีไซน์เพื่อเราติดมันมากที่สุด Co นะของ Netflix นะ Netflix เนี่ยไม่ใช่เป็นแอปนะมันเป็นมันเป็นบริการจัดหาหนังให้เราชมเนี่ย24ชั่วโมงเลือกได้นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดมีเป็นแสนมีเป็นล้านเรื่องแล้วก็มั้งดูเมื่อไหร่ก็ได้ราคาก็ไม่แพงนะไม่กี่ร้อยบาทต่อเดือน CEO ของ Netflix กซ่เก็บอกว่าคู่แข่งที่สำคัญที่สุดของเขาเนี่คู่แข่งที่น่ากลัวที่สุดของเขาเนี่ ไม่ใช่ Amazon ไม่ใช่ HBO นะแต่คือเวลานอนของเราคือถ้าเรานอนเมื่อไหร่นะเราก็ดู Netflix ไม่ได้งนั้นเขาจะพยายามแย่งชิงเวลานอนของเราให้มันเหลือน้อยที่สุดคือพยายามให้เราตื่นมากที่สุดเพราะถ้าเราตื่นเนี่ยโอกาสที่เราจะไปดูช่องของเขาเนี่ยก็จะมีมากนะเขาไม่กลัวเลยนะ HBO เขาไม่กลัว a เม z o n นะซึ่งก็ททำรายการหนังเหมือนกันนะเขากลัวว่าเราจะหลับนะ เขาต้องพยายามาพยายามทาให้เราเนี่ยหลับให้น้อยที่สุดนะตื่นมาดูเขาให้ได้มากที่สุดเพราะถ้าเราดูเขานานๆเราก็เขาก็ได้เงินเช่นเดียกับเฟซบุ o o นะต้องพยายามดีไซน์เพื่อล่อเพื่อหลอกให้เราอยู่กับเขานานๆมีการกดไลค์มีการกดแชร์มีการเปิดโอกาสให้เซลฟี่นะมีนิวส์ฟิตที่มันถูกใจเรา เพราะนั้นเนี่ยใครที่บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเปิดดูสักหนาทีก็พอแล้วเนี่ยเดี๋ยวส่งข้อมูลทำไม่เซนเจอร์เนี่ยสุดท้ายไปไม่รอดนะติดกับดักอีก15บนาที20ินาทีหรือครึ่งชั่วโมงอันนี้แหละนะเขาพยายามสรรหาสิ่งต่างๆที่ปลนเปลือที่ทำให้เราถูกใจที่ถูกใจเราและทำให้เราชอบนะแล้วพอเราชอบแล้วเนี่ยนะเราก็ลืมเนื้อลืมตัวสิ่งที่ทา เมื่อทำไปมากๆทําไปเยอะมันก็เกิดผลเสียงนั้นตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ต้องระวังเนี่ยนะไม่ใช่สิ่งที่เราไม่ชอบนะแต่คือสิ่งที่เราชอบมันเป็นอ่ามันเป็นภัยที่น่ากลัวมากเพราะว่าสิ่งที่เราชอบเนี่ยเรามักจะไม่ค่อยตั้งคําถามไม่ค่อยระมัดระวังแล้วมันก็ยิ่งทํามันถูกใจเรายิ่งเสพมากๆคนมักจะคิดว่าสิ่งที่ไม่ชอบนี่แหละคือสิ่งที่ต้องระวังนะต้องห่างไกล นะแต่สิ่งที่ชอบต่างหะนะที่มันสามารถทําให้เราเนี่ยนะย่ำแย่ได้สุขภาพย่ําแย่ชีวิตย่าแย่ความสัมพันธ์ย่ําแยนะ่เมื่อช้านี้ก็พูดไปแล้วนะว่าภัยที่น่ากลัวเนี่ยมันไม่ใช่ภัยนอกตัวนะแต่มันภัยที่อยู่ในใจนะซึ่งคนมักจะมองข้ามไอ้ภัยที่น่ากลัวอย่างกนะ็คือภัยในสิ่งที่เราชอบนะซึ่งเราก็มักจะมองข้ามเหมือนกันนะฉันต้องมีสตินะ เพราะว่าถ้ามีสติเนี่ยอะไรที่เราชอบเนี่ยนะมันก็จะดึงดูดเราเข้าไปหามันเสพมันใช้เวลาอยู่กับมันนะจนหมดเนื้อหมดตัวหรือลืมตัวแล้วสุขแล้วความแล้วปัญหานะหรือว่าความเดือดร้อนก็จะตามมาเนะเช่นสุขภาพย่ำแย่ความสัมพันธ์เสื่อมโทรมนะรวมทั้งชีวิตจิตใจก็ไม่เป็นอันมอะไรนะมี มีบางคนนะเขาบอกนิพพานก็อยากเข้านิพพานก็อยากถึงนะนิพพานก็อยากได้นะแต่ทำไงดีนะติดหนังเกาหลีซีรีส์เหลือเกินนะติดมากเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ดูได้ทั้งวันนะไม่ใช่ดูทีละทีละอัตเถียรทีล ะ, ะ, ะชัวะช่วโมงทีละชั่วโมงอาทิตย์ละครเนี่ยอะไรที่มุ่งหวังที่ปรารถนานะมันมันเป็นอันพับไปเลยนะไปไม่ถึงนะเพราะว่า ไอ้เรื่องติดเสร็จเรื่องเล็กๆนี่แหละคือเรื่องที่เราชอบแต่ที่จริงมันไม่เล็กแล้วนะพอชอบแล้วมันกลายเป็นเรื่องใหญ่นะคนเดี๋ยวนี้เนี่ยถ้าไม่ได้เล่นเฟซบุ o กนะพอถูกยึดโทรศัพท์หรือพอสัญญาไม่มีนะหงุดหงิดงุนงานถ้ามีโทรศัพท์อยู่ข้างตัวเนี่ยขาดความมั่นใจก็ของชอบงนั้นแหละนะไม่ใช่ของที่ไม่ชอบเนะี่ย เพราะฉะนั้นเนี่ยการมีสติสำคัญมากนะในยุค ป, ปัจจุบันให้รู้เท่าทันนะว่าอะไรที่เราชอบเนี่ยหนึ่งมันดีจริงไหมและสองถึงแม้มันดีเนี่ยนะก็ต้องรู้จักเสพพอประมาณนะครูจา้าตรัสว่าเนี่ยต้องรู้จักประมาณในการบริโภคของดีแต่ถ้าเสพมากนะมันก็เกิดโทษนะอาหารแม้จะมีประโยชน์นะ แต่ว่าถ้าเราไม่รู้จักการกินไม่รู้จักประมาณนะมันก็เป็นอันตรายได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่ามัวแต่ระแวดระวดระวังสิ่งที่ไม่ชอบนะสิ่งที่ไม่ชอบเนี่ยมันไม่ค่อยเป็นปัญหาให้สิ่งที่ชอบต่างหากนะที่จะสร้างปัท้ากับเร า, นะเาแล้วก็เตรียมรับผ่อนชิจิตังปฏิตังตุมหังก อ, อิทาผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้ว เฮปาเมวาสมิชิตุ atu, ต้องสำเร็จโดยชาพรสาเพผูเรนตุสังขปาขอความตามที่ทางปวงจงเต็มที่จันโทปนาราโสยาทาเหมือนพระจันในวันเพนมณีโชเิระโสยาทาเหมือนแก้มณีอันสว่างสวัยควรยินดีสาพิทิวิวาชนตุ วางจ่ายทั้งปวงจงบำราดไปสาภาโรคโควินาสตุโรทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภววตวันตารายโยอันตารายามีแก่ท่านสุขิธิคายุโกภาท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาธนาสิลิสานิจังุทาปะยิโน ตาตาโรธรรมาวันติอายุวันโนสุขังพลงทางสิปการคืออายุวันณาสุขะพละยอมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหวกราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิภวัตุสาพมังคลังอสสะพมองคนจงมีแก่ท่านรองขันตุสาพระเทวตาอหล่าเทวดาทั้งควงจงรักษาท่าน สาพาผู้ทานุภาเวนะ้วยอนุภาแห่งพระผู้ตจ่าสาพาธรรมานุภาเวนะ้วยอนุภาแห่งพระธรรมสาพาสังฆานุภาเวนะ้วยอนุภาแห่งพระสงฆ์สาธาโสทิพวันตุเตพอความสวัสดีทั้งหลายยงมีแก่ท่านทุ่เมื่อเท